ทุติยคาถาสังคณิกะว่าด้วยกลุ่มคาถากลุ่มที่สอง 1. กายิกาธิอาบัติว่าด้วยอาบัตทางกายเป็นต้น474ถามอาบัตทางกายจัดไว้เท่าไหร่ทางวาจาจัดไว้เท่าไหร่เมื่อปกปิดต้องอาบัตเท่าไหร่ อาบัตที่มีการเคล้าคลึงเป็นปัจจัยมีเท่าไรตอบอาบัตทางกายจัดไว้6ทางวาจาจัดไว้6เมื่อปกปิดต้องอาบัตสามอย่างอาบัตที่มีการเคล้าคลึงเป็นปัจจัยมีห้าต้องอาบัตเมื่ออรุณขึ้นเป็นต้นถามต้องอาบัตเมื่ออรุณขึ้นมีเท่าไหร่ อาบัตชื่อยาวะตะติยากามีเท่าไรอาบัตชื่ออัฐวัตถุกาในศาสนานี้มีเท่าไรจัดสิกขาบทและปาติโมกขุเทศทั้งมวลเข้าในอุเทศเท่าไรตอบต้องอาบัตเมื่ออรุณขึ้นมีสามอาบัตชื่อยาวะตะติยากามีสอง อาบัตชื่ออัฏวัตถุกาในศาสนานี้มีหนึ่งจัดสิกขาบทและปาติโมกขุเทศทั้งมวลเข้าในนิทานุเทศอย่างเดียวมูลแห่งพระวินัยเป็นต้นถามมูลแห่งพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มีเท่าไหร่อาบัตหนักในฝ่ายพระวินัยที่ตรัสไว้มีเท่าไหร่อาบัตเพราะปิด โทษชั่วหยาบมีเท่าไรตอบมูลเหตุพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มีสองอาบัดหนักในฝ่ายพระวินัยที่ตรัสไว้มีสองอาบัิเพราะปิดโทษชั่วหยาบมีสองต้องอาบัดในละแวกบ้านเป็นต้นถามอาบัดในละแวกบ้านมีเท่าไหร่ อาบัตมีฝั่งนาทีเป็นปัจจัยมีเท่าไรต้องอาบัตทุนละใจเพราะเนื้อกี่ชนิดต้องอาบัตทุกกฎเพราะเนื้อกี่ชนิดตอบอาบัตในละแวะกบ้านมีสี่อาบัตมีฝั่งนาทีเป็นปัจจัยมีสี่ต้องอาบัตทุนละใจเพราะเนื้อชนิดเดียวต้องอาบัตทุกกฎเพราะเนื้อ9ก้าชนิด ต้องอาบัดทางวาจาในกลางคืนเป็นต้นถามอาบัตดทางวาจาในกลางคืนมีเท่าไหร่อาบัดทางวาจาในกลางวันมีเท่าไหร่เมื่อให้ต้องอาบัตดเท่าไหร่เมื่อรับต้องอาบัดเท่าไหร่ตอบอาบัตดทางวาจาในกลางคืนมีสองอาบัดทางวาจาในกลางวันมีสอง เมื่อให้ต้องอาบัตสามเมื่อรับต้องอาบัตสี่